เมื่อได้สิ่งไหนมาก็จะได้เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วย เ, เต็มกรอบเต็มกำรรไม่ใช่ว่าได้มาทีละนิดทีละหน่อยไม่น่าจะดีนะหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นการอาราธนาสินก็เหมือนกันถึงจะรับอาราธนาอย่างนั้นก็เถอะนะแต่เราตั้งเจตอธิษฐานให้เป็นสินห้าเข้าไปเจ้าจะรักษาศินวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือเข้าไปเจ้าจะรักษาศินอาทิตย์นึง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 ข้าพเจ้าจะรักษาสินห้าตลอดคืนนี้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็รักษาสินแล้วก่อนนอนอแต่มีอะไรเกิดขึ้นในกลางคืนะเราจะไม่จะไม่ไม่ให้ผิ ด, ผดสินผิดสินโดยเด็ดขาด อ, าอันนี้ก็คือเป็นสินเหมือนกันนะขันธ์ศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะแลวก็สิแล้วก็หลวลงพ่อจะกล่าวว่านะโมเห็นณโมตัสสะปะคะวโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ความแปลหรือความหมายของน้ำโมว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมเดรพระผู้มีพ ร, าาระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระองค์นั้นก็คือพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวนี่ยนะพุทธังทำมังสังขังจรรนางคัจฉามิพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวซึ่งว่าพุทธะข้าพเจ้านอบ น, น้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทําไมเราจึงได้นอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระธรรมคำสอนที่ท่านประกาศออกมาคือศินห้าเนี่ยก็คือศินของพระพุทธเจ้า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 ถ้าเราไปฆ่าคนอื่นก็ฉาใจเพราะเราไปฆ่าเขาใช่ไหมอยังฆ่าหมาฆ่าคนดุแล้วกฆ่านักเลงฆ่าอะไรงเราฉาใจ เ, เพราะเราไปฆ่าเขาแต่พวกเขาที่ถูกฆ่านะเขามีความรู้สึกยังไงเสียใจยังไงไอันนี้เราไม่สามารถที่จะดูเข้าไปดูในจิตใจของเขาได้แต่เอาเถอะเีนี้เมื่อเขามาฆ่าเราเถอะ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 ขอขอบคุณและขออนุโมทนากับกุศุรจิตที่ทุกคนได้กระทำร่วมกันและขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพออ่อไอทวายสันตุสโกที่ได้มีเมตตาแก่พวกกรผมในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยขอกราบน้มสักการเบหลวงแรกท่านสำนักพุทธจังหวัดอุดรเป็นผู้บารบและก็ท่านผู้ว่าเป็นผู้ขายายผล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 นอนรักษาศีลอยู่ที่วัดกับคณะของท่านนะท่านพูดขึ้นมาหลวงพ่อยังจำไม่ลืมกระทั่งทุกวันนี้นะคือท่านพี่ภาคษาในท่านอยู่ทางจังหวัดสุพรรณและท่านก็นมาเป็นพี่ภาคษาสารต้นๆพอก่อนนะอพอต่อมาท่านก็เอ๊ะทำไมเมืองอุดอรของเราเนี่ยมาอยู่แล้วทำไมคนง่มอมรุ่มหลงมัวเมางมงายพอถึงวันพระล้วก็หายเงียบ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 อต้องคิดดูว่าแต่ละวันเเราคิดผิดคิดถูกทำถูกทำผิดพูดผิดพูดถูกให้พิ่ภากษาให้มองตัวเองด้วยนะเนียอย่าไปคิดแต่เห็นแต่ความผิดของคนอื่นให้มองตัวเองด้วยให้พิ่ภากษาตัวเองด้วยพ่อหลวงกูขาวพูดเพียงเท่านั้นแหละจะดุ้งเลยผมอัโอ้ใช่เออท่านพูดท่านพูดกินใจะนี่แหละ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 แต่ว่าเรื่องที่หลวงพ่อคือว่าเกิดแก่เจ็บตายแง่จะไปลุงล่ ง, ล ง, ลงหลงลุ่มหลงมัวเมามากนะก็เหมือนเอาความตายมากู่กันแต่ตามไม่จริงไม่ใช่อก่อนที่พวกเราทุกคนมันมีจุดจบอย่างนั้นจริงจริงไม่มีใครที่จะหลีกเลี่พ้นไปได้แต่กเอาเถอะ เ, อเราก็ยอมรับว่าตายจริงๆไม่มีอะไรแต่ว่าตายแล้วเกิดน่จุดนี้แหละตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สูญเอ๊ะสงสัย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 ไม่ให้จิตใจของเราเคิดไปในอดีตอดีตคือคืนเมื่อวานนี้วันก่อนไม่ต้องคิดถึงอนาคตวันพุวงวนี้มาลือมาลือไม่ต้องคิดถึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นิ่งในเมื่อใจของเรานิ่งเอ อ, อยู่กับที่ใจของเราจะรวมนะทีนีอ้อรวมสงบเป็นหนึ่งเ อ, อสติกับจิตเอเรื่องความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว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 แมาว่าเราต้องอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศานายาิญาติมิตรหายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะตอนนี้ไปผลงพ่อจะเป็นผู้พานำอนุอมโมทนาและติดเนะ